ขอความเจริญในธรรมจุมแีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพติญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องเมตตาบารมีต่อไปเมตตาบารมีนั้นกล่าวโดยลักษณะคือมีความเป็นไปในอาการคือคูณเป็นลักษณะประการที่สองการนำประโยชน์เข้าไปเป็นกิจเมตตานั้นอย่างที่บอกไว้ในตอน วันก่อนโน้นว่ามีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์คือมองเป็นแบบสากลนะเราเียกว่าสัพเพสัตตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่ก็ตามก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสังสารวัฏ ยังน้อยก็ร่วมทุกข์แหละมันก็เกี่ยวข้องกันดังนั้นทำายังไงในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมามันจะมีการกระทาที่นำประโยชน์เข้าไปสู่บุคคลนั้นเป็นกิจคือหน้าที่ของเมตตาเนี่ยอย่างที่บอกว่าอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาล คือทำให้นึกถึงสถาบันประมาทกษัตริย์ในราชวงศ์จั ก, กรีพระนามมาภิไธยนะเราจะเห็นว่าตั้งแต่รัชกาลที่สามมาเป็นพระนั่งเกล้าเป็นพระจอมเกล้าเป็นพระจุลจอมเกล้าเป็นพระมงกุฎเกล้าเป็นพระินเกล้าเป็นพระปกเกล้าอะไรต่อเลยเนี่ยคือหมายความมาอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาล ให้ความสงบร่มเย็นแก่บุคคลทั้งหลายภายในประเทศซึ่งแน่นอนว่าความรู้สึกจะต้องมีสากลคือไปเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้เพราะลักษณะเมตตาจึงต้องไม่ลำเอียงแล้วก็ไม่พยาบาทในขณะเดียวกัน ไม่มีไม่หนักไปทางการมาราคาอย่างที่เคยบอกไว้วันก่อนโน้นนะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องนำประโยชน์เข้าไปสู่คนที่เราเมตตาเนี่เป็นกิจกิจก็คือเป็นหน้าที่เป็นภาร ะ, ระที่จะต้องทำแต่บางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยของการอะไรกัน อย่างในกรณีของการอยู่ร่วมกันของชุมชนทั้งหลายไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใคระนะแต่ว่าที่ปรารถนาความผูกพันความยืดใหญ่ความเป็นในหนึ่งเดียวกันมันจะต้องอาศัยพื้นฐานของเมตตาธรรมอย่างที่ทรงแสดงไว้ในสารานิยธรรมหกประการนั่นก็คือหลักการของการอยู่ร่วมกัน โดยพื้นฐานจิตจริงๆก็คือเมตตากับปัญญาเนี่ยทรงใช้เมตตาแนวเดียวกับที่กล่าวไว้ในวันก่อนข้อความเหมือนกันเลยคือเข้าไปตั้งเมตตาทางกายกรรมคือทําอะไรก็กอบด้วยเมตตาต่อบุคคลทั้งหลายทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังนะครแต่พอดีมันเป็นการแสดงท่ามกลางพระสงฆ์ก็ใช้พระสงฆ์เป็นตัวประทานในที่นั่น แต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าธรรมะนี่ที่จริงมันบล็อกสมัยรุร่ก็ปรับเปลี่ยนยกัยกย้ายไปได้เรื่อยๆคือไปอยู่ที่ไหนก็ได้มนุษย์ชาวบ้านตดวไปหรือสังคมหรือกองทัพหรือคณะรัฐบาลหรือประเทศเนี่ยมันก็มคือกันมันขยายขยายอัตร า, าส่วนปริมาณของธรรมะให้มีทั้งปริมาณและก็คุณภาพคือปริมาณก็มากคุณภาพก็ต้องมากขึ้น เพราะถาคุณภาพเขาก็อ่อนเนี่ยมันไปเจอแรงกระแทกเขาไมตาจะไม่มีกำลังมากพอและจะต้านทานอะไรเอาไว้ไม่ได้จนวันก่อนเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตไปข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่มีการประท้วงเรื่องราวที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคทั้งหลายเี่ย พวกเกือนพวกฝ่ายอะไรตร่ออะที่สร้างขึ้นในส่วนต่างๆของประเทศที่จริงมีทั่วประเทศนะเราไม่พบาภาคกลางมีการประท้วงภาคใต้ก็ไม่มีการประท้วงภาคเหนือก็มีข่าวแก่งเสือเต้นนะนิดหน่อยแต่ทางภาคอีสานนี่จังประท้วงจังไม่รู้เป็นยังไงเลืกไม่ออกเหมือนกัน เราไม่ได้ศึกษาติดตามแต่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะฮะว่าคนไทยของเราเนี่ยคนไทยด้วยกันเนี่ยแต่ทําไมความรู้สึกตัวชาติบ้านเมืองมันจึงต่างกันอย่างนั้นรายละเอียดเราไม่รู้นะฮะคนเหล่านั้นจะต้องตอบด้วยใจตัวเองใหได้เพราะว่าในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมเนี่ยความรู้สึกผูกพันเสียสละเนี่ยต่อ ชาติศาสนาพระบากษัตริย์ต่อชาติบ้านเมืองนะครต่อแผ่นดินถิ่นเกิดมันเป็นภารกิจในทางของผู้อาศัยแผ่นดินเพราะงั้นมันจะต้องมีความรู้สึกดีต่อชาติบ้านเมืองเป็นมิตรนั่นแหละเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีต่อชาติบ้านเมืองคือว่าไม่ได้มองแต่สิ่งที่ตนจะได้จากชาติบ้านเมืองแต่ว่าต้องตอบว่าเราจะให้อะไรแก่ชาติบ้านเมือง เราสายเกิดอาศัยอยู่อาศัยกินอาศัยเจริญเติบโตตั้งแต่ปุย่าตาใหญ่มันต้องพยายามหาคำตอบที่จะให้แกชาติบ้านเมืองไม่ใช่พยายามหาประโยชน์จากชาติบ้านเมืองเพราะจริงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองมันเกิดขึ้นจากการเสียภาษีของรัฐของราษฎรแล้วเราก็ในฐานะเป็นราษฎรอาศัยแผ่นดินด้วยกันว่าทำไมกลุ่มหนึ่งจึง เสียภาษีถ้ากลุ่มหนึ่งมันก็ไปเอาภาษีที่เสียบำรุงรัฐมาเป็นประโยชน์ส่วนตัวเองข้าราชการเราก็เรียกว่าคอรัปชันนักการเมืองก็เรียกว่าช่อชนเอต่ราชดรละ่ละราชดรที่เรียกร้องผลประโยชน์จากรัฐในทางไม่ชอบธรรมจะเรียกว่าอะไรแต่เราถือว่าดั้นคือความชอบธรรมก็ไม่ยุติธรรมนะจะแสดงว่าสังคมให้ได้มีเกณฑ์อะไร เกณฑ์ในการได้มาซึ่งปัจจัยสีนั้นมันไม่ได้พูดที่คนแต่พูดโดวยวิธีการในการได้มาหากได้มาถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามศีลธรรมก็ถือว่าชอบธรรมถ้าไม่ได้มาโดยวิธีการอย่างนี้จะโดยวิธีใดก็ตามก็ถือไม่ชอบธรรม แต่ก็แปลกนะเรามีดา่าแต่รัฐบาลดา่าแต่พวกนักการเมืองด่าข้าราชการคนเหล่านี้เป็ดเสร็จแล้วก็ไม่ถึงสองล้านนะแต่ประชากรในบ้านเมืองเนี่ยหกสิบว่าล้านนะนะซึ่งจะต้องมองมองโดยพื้นฐานความเข้าใจมองในพื้นฐานของเมตตาที่มันกระจายออกไปได้ และที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าไม่ใช่มองเข้าหาตัวเองเมตตาไม่ได้มองเข้าหาตัวเองนะเป็นการมองออกเพราะฉะนั้นท่านยังบอกมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ดังกล่าวแล้วก็นําประโยชน์เข้าไปสู่กลุ่มคนเหล่านั้นเป็นกิจเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของเมตตาถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่ใช่เมตตาจริงเป็นเมตตาเทียมดังนั้นในสารานียธรรม เป็นการสอนในรูปของเป็นปัจจัยของการแลกกันหมายความรูปกิริยาปฏิกริยาไม่ได้ก้าเกณฑ์ในความในความหนึน่งธรรมแต่ก็อยู่ร่วมกันโดยเมตตาทางกายทําอะไรก็ทําด้วยเมตตาจะพูดอะไรกับใครพูดถึงใครก็พูดด้วยเมตตาโดยเฉพาะในด้านความคิดก็คิดด้วยเมตตา คือมุงดีปรารถนาดีต่อบุคคลเราเองในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ว่าใจเรามีเมตตาจริงหรือถ้าเรามีเมตตาจริงเนี่ยมันก็ต้องแสดงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอุ่นมาดุลมีการเฉลี่ยแบ่งปันมีการสงเคราะห์น้อรกันแบ่งเบาภารกิจช่วยเหลือขวนขวายการรยันในกรริจการงานที่ชอบ เป็นการยินยันว่าเรมมีเมตตาแต่นั่นเองถ้าเราไม่มีน้ําใจกันเลยนะเช่นสมมติว่าอายุยกไปอย่างวัดก็ได้นะในวัดเนี่ยสอนเรื่องเมตตาสอนเรื่องอะไรแต่ไม่มีน้ําใจต่อกันเลยไม่มีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอปปมารีสงเค ร, ราะห์นุเคราะห์ก็สแสดงอ่าไปจริงนะมันเป็นการพิสูจน์กันอยู่ในตัว หรือว่าอย่างคล้ายๆกับเราดูภายในครอบครัวเล็กๆเป็นพ่อแม่หัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเราก็ดูลูกหลานก็กได้ลูกหลานเป็นไงหน้าตาแจ่มใสไม้สุขภาพกายเป็นไงสุขภาพจิตเป็นไงการศึกษาเราเรียนเป็นไงแต่ถ้าผอมโูอดอยากคิ้วโหย ไม่รับการศึกษาที่เหมาะที่ควรก็แสดงว่าหัวหน้าครอบครัวไม่ได้ทําหน้าที่อของหัวหน้าครอบครัวที่ดีมันกลายเป็นการยืนยันแล้วขณะที่โบราณท่านพูดเนี่ยคือภาพเหล่านี้มันที่จริงมันใช้ได้ทุกกรณีไม่ใช้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่งทีรท่านพูดว่าดูวัดได้ดูฐานดูสมผานได้ดูทุกวัดเนี่ยคือมันเป็นปัจจัยสะท้อนกลับไปกลับมาได้ ฐานก็คือห้องน้ำห้องส้วมนะโดยเฉพาะยิ่งกว่ห้องส้มวสมมันเป็นเขาเรียกว่าวัดในวัดจกักุดีพระเจ้าทรงสอนในรูปของวินนยนะแต่เป็นรูปของมัญญาที่ควรประพฤติกระทำวัดปฏิบัติสะอาดสะอ้านเรียบร้อยรักษาความสะอาด มันสะท้อนกลับไปสู่ความมีระเบียบปีนัยของพระปิสุสสามเณรในวัดนั้นแต่บางครั้งเราก็ไม่พบสุมผ่านแต่เราดูจากลูกวัดได้กิยามันยาศีลาจาระการปฏิบัติตนของท่านเหล่านั้นมันสะท้อนกลับไปสู่ภาพลักษณ์ของเจ้าวัดวแสดงว่าฝึกปรืออบรมลูกศิษย์มาเป็นยังไง หรือแม้แต่ดูดูหางดูนางดูแม่ดูแม่ดูถังยายก็เหมือนกันเราเป็นการสะท้อนกันธรรมะเขาก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราเโดเห็นว่าตัวหลักจริงๆเนี่ยคือเมตตากับปัญญาการใช้เมตตาในแต่ละกรณีก็ต้องมีปัญญาแม้แต่การสงเคราะห์ก็เธอมันไม่ใช่สงเคราะห์จนเธอขี้เกียจ เธอรอการสงเคราะห์รอรับของแจกจากบุคคลอื่นไม่ยอมช่วยตัวเองอย่างนี้ก็เสียหายหมดเป็นกานพระพุทธเจ้าเองในหมู่พระเนี่ยจะไม่เน้นที่อา m i ตสังฆะมากก็ทรงเน้นไปที่การเป็นธรรมทายญาตไม่ได้เน้นที่การเป็นอาบิธายาตคือไม่มีพระประสงค์ใจพระไปรับมรดกทางวัตถุสิ่งของทางลาบสาการะชื่อเสียงของพระองค์ แต่มุ่งให้พระรับมรดกธรรมสืบสารมารดกธรรมจากเรานั้นในแนวของการอยู่ร่วมกันของพระในเชิงที่เป็นรูปวัตถุก็สงเคราะห์กันตามควรแก่กรณีหรือแม้แต่ว่าบางครั้งบางคราวเราขอรับการสงเคราะห์จากบุกคคลอื่นมราก็ต้องแสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรมควบคุมความอยากภายในใจไว้ได้ เจนว่าพระถูกโจรลักขโมยจุวรไปสมมติว่าเขารักไปสามผืนเนี่ยขอได้แค่สองผืนรับไปสองผืนก็ขอได้แค่ผืนเดียวขโมยไปผืนเดียวก็ไม่ต้องขอหรอกไม่ต้องไปรบ ก, กวนเขาเป็นการฝึกปฏิบัติธรรมะไปด้วยในตัวการสงเคราะห์ก็ลักษณะอย่างนั้นการรับลักษณะอย่างนั้นคือ ไม่ใช่แสดงถึงความไร้เหตุผลในการสงคราะแต่ไม่ใช่แสดงถึงความโลภในการรับรู้จักประมาณในการรับในการไปพกใช้สอยแต่การสงเคราะห์ก็รู้จักประมาณความเหมาะความควรเหมือนกันแล้วตำแหน่งต่างก็อยู่ในกรอบเปนของระเบียบวินัยเสมอเหมือนกันคือลักษณะองค์กรสถาบันบุคคลเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ได้ จึว่าในวงการตำรวจวงการทหารวงการครูบาอาจารย์วงการแพทย์พยาบาลเนี่ยมันเป็นสถาบันเป็นองค์กรซึ่งมีคณะบุคคลอนเนกนันและคนเหล่านั้นกระทบถึงกันการปฏิบัติภารกิจได้ดีนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นความพิเศษอะไรแต่ก็คือการทาหน้าที่เท่านั้น ประการสำคัญว่าอย่าทำให้เกิดภาพพจน์ในทางลบแก่คนแก่องค์กรรัฐบาลที่เราเป็นสมาชิกอยู่การทำความดีนั้นเป็นหน้าที่ที่ท่านกำหนดเอาไว้นะฮะเช่นสมมติว่าตารวจจับผู้ร้ายได้เยอะๆเน่มันก็เป็นหน้าที่อ่ะก็เขาจ้างมาให้ทำงานอย่างงั้นก็ท่านทหน้าที่กอนท่านได้พระก็ทำหน้าที่ของตัวเองคือยังชอบใจในที่ประชุม เวลาคัดเลือกผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ดีเด่นต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยเคือตะมาเป็นกรรมการใหญ่ก็ไม่ใช่กรรมการอนุ ก, กรรมการที่เลือกเป็นกลุ่มๆนะแต่เราก็เคยได้ยินความเห็นของผู้ใหญ่เขาบอกว่าพระเนี่ยท่านทหน้าที่ของท่านดีเด่นยังไงก็ต า, ามท่านทำหน้าที่ของท่านเป็นหน้าที่หลักของท่าน แต่อยากให้มองที่ชาวบ้านนี่มากๆประชาบ้านไปทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นแสดงถึงพลังศรัทธาของท่านแ้ววมาเห็นด้วยนะฮะก็ อ, อยากให้ยกจ่องชาวบ้านนี่มากกว่าพระสมมติว่าเท่าไรสมมติเราสักสองร้อยเนี่ยก็อยากะให้เป็นชาวบ้านสักร้อยห้าสบ พระขนาดสักห้าสิบก็พอแล้วแต่ก็จริงมันก็หาไม่ค่อยได้ชาวบ้านที่เขาเสนอมาเนี่ยจะมีจำนวนน้อยก็พยายามที่จะเพิ่มเติมแล้วนะฮะแต่ยังไงก็น้อยมันก็สะท้อนกลับไปว่าคนที่จะตุ่มเทเสียสละเพื่อพระศาสนาเนี่ยมันมีน้อยหรือไม่อย่างนั้นท่านก็ปิดทองหลังพระ จนองค์กรอาชการไม่ได้รู้ในภารกิจของท่านตัวนี้ก็คือการทำหน้าที่เช่นการอยู่ในระเบียบวินัยกฎเกณฑ์เนี่ยขององค์กรอย่างพระอยู่ในระเบียบวินยัยอยู่ในศีลมันก็เป็นหน้าที่คือปฏิบัติหน้าที่แต่ในขณะเดียวกันการกระทำอย่างนั้นมันแสดงถึงความรับผิดชอบต่อองค์กร เพราถ้าเราเกิดพลาดขึ้นมาสักรูปมันมันมันกระเทือนมันกระเทือนถึงองคอ์กรเดี๋ยววันก่อนที่เขานิมนต์ไปออกรายการยูบีซีก็ถามถึงเรื่องพระกู้อะไรเนี่นะเดี๋มาบอกว่าควรจะออกมาเคลียร์เสียออกมาทําให้มันกระจ่างเรื่องอะไรเป็นอะไรแล้วก็ลูกศิษย์ก็โทรศัพท์มาบอกว่ า, วาขอให้เลิกแล้วต่อกันบอกมันไม่ได้หรอก มันทําในนามของพระสงฆ์รอยเป็นครึ่งกับทุกฝั่งไม่ได้แล้วมันจะต้องพิสูจน์ยืนยันออกมาว่า ร, รูปแบบของพระสงฆ์นี่ถูกใช้ไปในทางถูกต้องตามพระธรรมวินัยมันไม่จะนึกใครจะเอาไปใช้ก็ใช้ได้ียมาขอให้เลิกไปเลยเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะถ้าดีก็ต้องยอกย่องท่านคือถ้าไม่ดีเนี่ยต้องชัดเจน แล้วท่านเนี่ยเป็นพระหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ว่าท่านเองต้องพิสูจน์เพื่ออะไรเพื่อความถูกต้องแล้วถ้าท่านสามารถทำสามารถทำได้จริงๆนะฮะสามารถทได้จริงๆแล้วเราถ่ายภาพนรกสวรรค์ไม่ได้จริงๆถ่ายภาพเปรตได้จริงๆนะสมมติว่าจริงนะนะมันก็ดีนะก็อยากจะให้มีอย่างเนี้ยเพื่อจะเป็นอุปกรณ์ในการอธิบายเรื่องนรกสวรรค์เรื่องเปรตเรื่องอสุรกายเรื่อง เรื่อนี้เราอธิบายได้อย่างเดียวสัตว์ดิรัจานนะฮจีวะพูดแล้วนี่คนไม่เชื่อพอนรกสวรรค์แล้วก็จากยุ่ง่ะอธิบายยากแต่ถ้ามีใครสามารถสร้างขึ้นมาให้เห็นได้จริงๆก็ถ่ายจากภาพจริงสถานที่จริงมานะ่ยสำหรับยุคสมัยนี้แล้วก็ดีเพราะฉันตัวเนี่ยที่จริงก็คือเรื่องเมตตาเป็นการมององค์รวมของสถาบันแล้วก็เมตตาต่อท่านด้วยนะฮะ ต่อผู้ที่กระทำด้วยในขณะเดียวกันเราก็มองต่อคนทั้งหมดนั่นแหละด้วยความเข้าใจเห็นใจแล้วก็เมตตาต่อเขาว่าเขาเป็นนักศึกษาค้นคว้าการศึกษาค้นคว้าถ้ากำลังศึกษานี่อย่าคิดว่าถูกต้อง น, นะนะมันเป็นข้อมูลระดับหนึ่งสองสามสี่เขาต้องไปกรันกรองมาก่อนกล้องวิเคราะห์วิจัยมาก่อนแล้วจึงหาข้อยุติในตอนหลัง เล่นเอาข้อมูลปฐมภูมิมาซัดกันก็ลำบากมันก็พูดกันยากกันฮะประงานศึกษาในที่จริงมันไม่ใช่ระดับเดียวที่จะวินิจฉัยตัดสินชี้ถูกซีผิดได้การอยู่ร่วมกันโดยความเคารพกฎเกณฑ์ระเบียบนในกติกาต่างๆภายในสังคมสแสดงถึงการอยู่ร่วมกรรันโดยเมตตานึกถึงวัดนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงอุปชาานึกถึงเพื่อน ภิกษุสา ม, มเณรหรือว่าเป็นประชาชนก็นึกถึงประเทศชาตินึกถึงสถาบันประมากศัต ร, นตร์นึกถึงบรรพชนอะไรแต่ละนึกๆ ก, ก, กัมากๆเพราะการกระทำอะไรของเราที่ไม่ดีเนี่ยมันกระทบที่ดีบางเรื่องมันเป็นการรักษาแต่นั้นเองแต่บางเรื่องมันเป็นการสร้างสรรพัฒนาก็แล้วแต่ว่าปริมาณและคุณภาพเนี่ยมันสูงพอหรือเปล่า ประการสุดท้ายก็คือมีทิฏฐิเสมอกันซึ่งทิฏฐิก็คือปัญญานั่นเองหมายกวามว่าความคิดความเห็นของเราอย่างในกรณีของศาสนามันค่อนข้างอึดอัด น, นะนะบางทีเข ก, ก, ก็ส่งหนังสือมีเอกสารอะไรมาให้กิจกรรมมาให้อาตมานี่มันค่อนข้างจะรับข้อมูลอะไรอยู่เยอะเลยโยมก็ไม่รู้จะส่งไปไหนก็ส่งมาให้แเราก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ ไ ม, มะะไม่มีอำนาจหน้าที่ทางคณะสงฆ์เลยนะฮะไม่มีอำนาจหน้าที่ตาแหน่งตามราชบัญญัติเนี่ยไม่มีเลยแต่จะมีซักตำแหน่งก็คือผู้ช่วยเจ้าวานดนอกจนั้นเราไม่มีตาแหน่งหน้าที่อะไรแล้วก็ไปช่วยอะไรใครก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าก็ เ, าเรียกว่าไม่มีอำนาจไม่มีหนา้าที่ไม่มีความเห็นเว้นวายแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนธรรมซึ่งเรามีหน้าที่โดยตรง หนะ้าที่โดยกําเนิดของความเป็นพุทธบริษัทแล้วก็ไม่ต้องมีใครแต่งตั้งนะฮะคือมันเกิดมาจากการประกาศตนเป็นพุทธมามากะพุทธมามิกาเนี่ยเราทุกคนเราก็มีหน้าที่ตรงนี้ทํายังไงจะปรับทิฏฐิความคิดความเห็นของตนให้ตรงกันตัวนี้คุณสังเกตว่ามันเป็นประโยชน์ต่อกัน และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นประโยชน์ก่อประสาทศาสนาแล้วมันไปพิสูจน์พิสูจน์ถึงหลักธรรมว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไปสร้างความรักให้เกิดขึ้นความเคารพไปเกิดขึ้นคนจะมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันไม่ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ให้เกิดเป็นสามัคคีเอกภาพต่อกันมันเป็นกระบวนการที่สืบเนื่องมาจากจิตเมตตาต่อคน ถ้าไม่มีเมตตามันขับเคลื่อนมาไม่ได้มันสะดุดสะดุดที่คนบ้างสะดุดกับความโลภ บ, บ้างสะดุดกับความโกรธบ้างสะดุดกับความสนีทบ้างแต่ถ้าหากว่ามีเมตตาบารมีมากพอสมควรนะฮะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะเลื่อนไหลไปได้เป็นการสะท้อนจากจิตที่มีเมตตาหรือว่าปัญญานะ เราจะถือว่าเมตตาสร้างปัญญาหรือปัญญาสร้างเมตตาก็ได้เพราะว่าเมตตาก็คืออัโทสะปัญญาก็คืออโมหะมันเป็นพวกอุถุชนลมูลด้วยกันทั้งฝั่งทงั้งหลายแต่รมประวติญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองงามไพบูลย์ในธรรมอยู่มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี